ช่วงนี้ก็ยังเป็นการพิจารณาอริยสัจส์4โดยกว้างๆ ก, างก่อนนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรคือเป็นการวิเคราะห์โดยแง่มุมต่างๆซึ่งมาดูวินิจฉัยนยะที่13สคือโดยสภาคะและวิสภาคะก็กล่าวถึงว่าอริยสัจนี้เป็นของลึกซึ้งใช่ใครๆก็รู้ว่าอริยสัจนั้นเป็นของลึกซึง ทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์เนโรสัตว์มรรคสัต์นี้เป็นธรรมชาติที่ลึกซึง้งอย่างมาดูทุกขสัตว์ก่อนว่าทุกขสัตว์นี้ตัวเข้าเองไม่ได้ลึกซึง้งแต่ที่มันลึกซึ้งเนี่ยหยั่งลงได้ยากหยั่งลงได้ยากสมุทัยสัตว์นี้ก็ลึกซึ้งด้วยอัธาวายย่ายหยั่งลงได้ยากเหมือนกันตัวเขาเองเนี่ยหยั่งทุกเนี่ยโสกะปริเทวะทุกโทมนันัตอุปายาตเนี่ยไม่ยากใช่ไหม หยาบมากเลยตันหาก็หยาบแต่ทําไมลึกซึ้งบอกว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่ได้กำหนดทุกขสัตว์ตามเป็นจริงเป็นจริงของทุกขสัตว์เป็นอย่างไรก็ง่ายๆว่าชาติชรามรณะเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าสัตว์อย่างลงแบบนั้นกันไหมอย่างว่านี้ชาติชรามรณะนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นความลึกซึ้งของเขาละ คือลึกซึ้งเนี่ยเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ยอมเห็นสอดคล้องตามหลักอริยสัจมันเห็นตรงกันข้ามกับอริ ย, ยสัจซะส่วนใหญ่อย่างเช่นเราเห็นทุกข์สั์เป็นของที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยนะทุกอย่างก็เหมือนเดิมคงเดิมอีกนานเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอันนี้ขัดต่อสัจจะไหมอันนี้ขัดต่อสัจจะก่อนละ เหมือนกับมองโอ้อายุเรายังอีกนอนอย่างเงี้ยเลพวกนี้ก็ขัดต่อสัจจะเหมือนกันเพราะว่าสัจจะนั้นตามเป็นจริงแล้วทุกสัตว์ไม่เที่ยงแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนิจจะวิปลาสสาคัญว่าเที่ยง ก, ก็ก็น่าคิดนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเมื่อวานกับวันนี้ก็ดูเหมือนเดิมอะ่ะใช่ไหมเหมือนเดิมไหมเออคือถ้าไม่พูดสิ่งนี้เอามาจับนะเหมือนเดิม ถ, ถ้าไม่เอาความรู้ อริยสัจมาพูดกันอยู่ในหัวข้อตอนนี้นะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมไหมคุณหมอที่พียพอไปขึ้นรถนะเอ๊ก็เหมือนเดิมคันเดิมกลับบ้านก็เหมือนเดิมคันเดิมเจอเพื่อนก็เหมือนเดิมคนเดิมอันนี้มันโอ้ยมหาวิปลาปเลยแหละก็อาหารคนละมือแล้วอ่ะนะอาหารชรูปจะเหมือนเดิมได้ยังไง จิตก็คนละประเภทกันแล้วคนละขณะกันแล้วมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงนะรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็คนละอย่างไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือนิจจสัญญาหรือสัญญาวิปปลชาสำคัญว่าเที่ยงบางอันนี้แหละที่เรียกว่าอย่างลงได้ยากฟังทรรมทีก็นึกได้ทีเลิกฟังก็เลิกนึกเนี่ยนะอย่างเราเห็นอะไรนะเราก็อย่างอาหารเราก็ไม่ได้ มองไปถึงมองปุ๊บเนี่ยอย่างถึงเลยไปถึงอาหารเรเพติกูลสัญญาไปเลยใช่ไหมคิดได้ลาได้ยาวขนาดนั้นไหมอาหารเรเพติกูลสัญญาไปเลยไม่อร่อยเนีย่ยนะนึกถึงแต่ตอนอร่อยก็พอละอันนี้แหละเรียกว่าอะไรวิปลาสสุ ข, ขาวิปลาสความอรเด็ดอร่อยนั้นก็คือถือว่ามันเป็นความสุขใช่ไหม ขัดกับอะไรนะพระ อ, องค์บอกว่าให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เหมือนนางลูกศอนเห็นอาทุกข์มาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นน่ะอันนี้แหละเรียกว่ายากอั น, นทีว่าลึกซึ้งเนี่ยเพราะว่าหยั่งลงได้ยากคือสัตว์ไม่ยอมหยั่งลงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานึกถึงใครก็เออเนี่ยผมผลเล็บฟันหนังประชุมกันนะอันนี้ก็ไม่ค่อยนึกเลยเรียนอาทธนะิวะสัญญาก็รู้โรคมาเยอะอ่ะ แต่ว่าไม่ได้นึกว่าเออนึกถึงโรคอีกโรคแล้วนึกถึงโรคมันนึกถึงตาก็โรคกี่ชนิดอ่ะก็ไล่ไล่ลไปเหอะนึกถึงโรคนั่นแหละแต่ว่าอันนี้แหละเราไม่ยอมหยั่งแบบนั้นสัทีหนึ่งเมื่อไม่ยอมหยั่งแบบนั้นแหละเรียกว่าทุกข์ษัตรินี่หยั่งลงยากควรที่จะหยั่งลงว่าทุกข์เนี่ยมันมันมันเดือดร้อนใช่ไหมมันเร่าร้อนมันถูกปัจจัยปรุงแต่งมันเป็นสิ่งที่แปรปลุน มันอสุภาเนี่ยอันนี้ก็ไม่หยั่งลงอ่ะอันนี้แหละเรียกว่าลึกซึง้งเพราะไม่ยอมหยั่งแบบนี้สักทีอย่างสมุทัยศัสตร์เนี่ยนะตัญหานี่ถ้าตอนที่เราพูดธรรมะนะบอกโอ้ตันหามันไม่ดีนะแต่ในชีวิตที่เป็นจริงเราไม่รู้สึกรังเกียจมันเลยนะรังเกียจไหมโอ้เนี่ยตัญหาเอ้ยทำไมแกมาชอบอีกแล้วอนะ ไม่ค่อยดังเกียดง่ายๆนะกําลังเพลิดเพลินอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะที่ที่เรียกว่าแบบชาวโลกเขาเรียกว่าไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายอะไรเนี่ยนะเวลาเรานึกเพลิดเพลินอันนั้นตายเนี่ยเราก็ไม่เห็นนึกว่ามันมีโทษอะไรไม่เด็นนี่นะคือตัวที่นําไปสู่พบใหม่ก็ไม่นึกอีกอันนี้แหละเรียกว่าความหยางลงยากอย่างดูดอกไม้เพลิ น, เพ ล, นเพลินสวยๆนี่ยเอม๊มเสียหายตรงไหนใช่ไหมสันสมุไทยนี่จึงหยางลงยาก ฟังเสียงเพราะๆเนี่ยนะใส่ใจในเสียงอะไรที่มันเพราะๆที่เราชอบเอ้ความชอบตัวนี้มันไม่ได้เสียหายหรือชอบคิดถึงอดีตบ้างหวังอนาคตต่อไปบ้างเราก็ไม่คิดว่าตัวความหวังนี่มันเสียหายเพราะฉะนั้นสมุทัยศัตร์ก็ยังลงยากยังลงยากมากต่อใครยังลงได้นะก็อนุมโมทนาด้วยว่าหือยานคมมาก <c oughs> คุณชูสรียังไปได้เยอะหรือยังอ๋อยั ง, อยงไม่ถึงเออเรอนะเ ป, ปรี่มเท้า อ, า อ, า อ, าอาคือขันห้าปกติควรจะยังลงโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมอสุภไออะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมยังแบบนี้สัทีหนึ่งก็เลยเรียกว่ามลึกซึ้งสมุทัยศาสตร์เนี่ยมันนำไปสู่พบใหม่มันนำเกิดนะ อันนี้เราก็ไม่ยอมไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่าไอ้ตัวนี้มันตัวนําเกิดจริงๆริงนะโดยการศึกษานี่ใช่แหละเชื่อไม่เถียงไม่ขัดคอหรอกแต่ในชีวิตที่เป็นจริงก็ไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยยอมรับนะไม่ค่อยยอมรับจริงไหมคุณนงยอมรับป่ะ <c oughs> บางครั้งอะนะ <c oughs> สมมติเนี่ยเหลียวไปดูรถเราเนี่ยก็ดูก็ธรรมดาหมดเลยใช่ไหมทานมี่ไหมศีล สมถะวิปัสนาแล้วมันควรจะเป็นอะไรล่ะถ้ามันจอดอยู่ที่เดิมก็ควรจะโลภะนั่นแหละถามว่าแล้วไอ้ตัวที่ไปเห็นว่ามันเหมือนเดิมของเราเนี่ยนะตัวนั้นมันนําเกิดในภพใหม่ในเราเราเราโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยนะแบบนั้นไหยถ้าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็รู้ว่าอีกนานเหมนกันไม่มีอะไรหรอก อ, อันนี้เอาไว้สอบสวนดูว่าอที่ไม่บรรลุสักปีหนึ่งมันก็สมควรแล้วนะ หลายท่านก็ถามว่าทำไมไม่บรรลุก็ฟังมาตั้งเยอะแยะแล้วอริยสัจจะไปบรรลุได้ยังไงแกว่าถ้าเอาแบบมาตรฐานมาจับดูแล้วก็ไม่เข้าเลยนะไม่ไม่ได้มาตรฐานเลยอะ่ะส่วนนิโราสัจจะกับมรรคสัจจะนี่สภาวะเข้าลึกซึ้งจริงๆอันนี้ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติที่ที่ลึกซึ้งจริงๆทุกข์กับสมุทัยเป็นของหยาบหยาบก็ยังไม่ค่อยจะลงอ่ะนะ แต่กล่าวไปยัยถึงนิโรสัจจะที่สงบประณีตสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนับว่าหยาบที่สุดแล้วแล้วอาสังฆตาธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยจะลึกซึ้งขนาดไหนก็มีความลึกซึ้งอยู่ น, าานั้นนิโรสัจจะนั้นท่านถือว่าเป็นความลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งทีนี้ก็นิโรสัจจะลึกซึ้งขนาดใดก็จําต้องใช้อริยมรรคที่ลึกซึ้งปานนั้น ปัญญาธรรมะจึงต้องลึกซึ้งมากจึงจะสามารถตรัสรู้นิโรธสัจจะได้ดังที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะที่เลิศนั้นก็ต้องตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติที่เลิศใช่ไหมศรัทธาที่เลิศวิริยะที่เลิศสติที่เลิศสมาธิที่เลิศปัญญาที่เลิศทัานใครที่จะคิดจะอบรมอินทรีย์ห้านะรับอารมณ์อะไรก็ต้องให้เป็นอารัมณปัจจัยของอินทรีย์ห้าให้ได้ เห็นต้นไม้ใบหญ้าเจริญสัตวินรีได้ก็แจวแล้วนงะเจริญวิริยินรีเจริญสติินรีเจริญสมาธินรีเจริญตัญญินทรียได้ก็แสดงว่าเกือบเกือบจะยังลงสู่อริยมรรคได้เหมือนกันอันนี้ก็กล่าวถึงสภาวะที่ลึกซึ้งนะของอริยศาสตร์สีประการว่าลึกซึ้งด้วยประการดังนี้แหลก็อย่างที่กล่าวว่า มัคคสัตว์เนี่ยที่จะประชุมกันได้นั้นโพธิปักขยธรรมประชุมกันตั้งสาสิบ็ดใช่ไหมโพธิปักษยธรรมตั้งสาิบเจกว่าจะประคมประชุมพร้อมกันได้นี่ก็นับว่าเป็นความลึกซึ้งหรือเป็นความยากก็ได้นะไอ้ลึกก็เพียงแต่บอกว่ามันยากนั่นแหละแต่ว่าทุกขสัตย์นี้ซึ่งไม่น่าจะยาบเท่าไหร่นะก็ยังไม่ค่อยจะลงนะนั้นพื้นฐานการเจริญทุกขสัตย์นี่คืออาทีนวะใช่ไหม สมุทัยศัสตร์คืออาศาัศทะก็โดยชีวิตปกติของเราเนี่ยเราเห็นอัสาธะกับอาทีนวะเนี่ยมากไหมนั่นแหละก็ประกาศถึงว่านิสรณะนี่จะใกล้หรือไกลก็อยู่ดูได้จากตรงนั้นถ้าขันทั้งหลายเราเห็นอาทีนวะมากตัณหามองเห็นโดยความเป็นเนี่ยคือตัวอัสาธะตัวที่นําไปสู่ภพแล้วก็ถ้าเห็นอย่างนั้นได้บ่อยๆการน้อมเพื่อการออกที่เรียกว่านิสรณะก็จะ มีมากขึ้นเนี่ยมาดูกล่าวแบบโลกิยะกับโลกุตระว่าทุกขศาสนั้นเป็นโลกิยะเป็นไปในภูมิสามนับเนื่องในการมาธาตรูปประธาต์อรูปประธาต์หรือการมมาพบรูปประพบอรูปรประพบนะันพบสามนั่นเองสมุทัยศัสนั้นเป็นโลกิยะเป็นการมมาธาต์อย่างเดียวหมายถึงว่าตันหานี่นะโดยภูมิเนี่ยเป็นการมมภูมิอย่างเดียว ถึงพรหมมีตันหาตัญหาของพรหมก็ไม่เรียกว่ารูปประภูมิอารูปประพรหมมีตัญหาไอตัวตันหาก็ไม่เรียกว่าอารูปประภูมิเรียกว่าเป็นกามมาภูมิโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะพออารูปดูที่ไหนเขาดูที่อะไรเขาดูที่ดูที่วิบากกับกรร ม, มชรูปเออขออภัยเขาดูที่ที่ฌานนะนะที่ฌานที่วิบากของฌานนะี เพราะรูปเป็นกามาวจรทั้งหมดนะรูปนรูปประขัมเนี่ยถึงจะรูปประขัมของใครก็เป็นกามาวจรทั้งหมดตันหาก็เหมือนกันตันหาถึงจะเกิดกับใครก็ตัวตันหาเป็นกามาวธรรมกามเอ่อเป็นนับเนื่องในกามธาตุทั้งหมดนันถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าพรมยังมีตันหาอยู่ตัวตันหาตัวนั้นก็ยังฉุดลงมาอีกได้เพราะตันหามัน อยู่ในดินแดนแห่งกาาวจรเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมพรมทั้งหลายถ้ายังมีตันหาอยู่ก็ยังฉุดลงมาอีกได้ น, นะฉุดมาหากามมาภูมิกได้เพราะสมุทยัยศาสตร์นั้นก็โดยสภาวะนับเนื่องในกามธาตุส่วนพระนิพพานนั้นเป็นโล ก, กุตระอย่างเดียวพ้นจากโลกคือสังขารทุกชนิดแต่เป็นโล ก, กุตระประเภทอสังขตะ โลกุตระนี่มีอยู่สองอย่างนะคือสังคตะกับอสังคตะนิโรสัจาะนั้นเป็นโลกุตระประเภทอสังคตะมรรคศัตร์นั้นเป็นโลกุตระประเภทสังคตะคือถูกปัจจัยปรุงแต่งถ้ากล่าวแบบแบบวัตตาวิวัตตเลยว่าทุกขศัตร์นี้เป็นวัตตะแต่เป็นวัตต์ที่เป็นผล สมุทัยสัตว์ก็เป็นวัตตะแต่เป็นวัตตะที่เป็นเหตุก็นะวัตตะก็แบ่งเป็นเหตุกับเป็นผลใช่ไหมนิโรสัจานะออขอไปนิโรสัจาก็เป็นวิวัตะมัคสัต์ก็เป็นวิวัตตะมัคสัตรนั้นเป็นวิวัตตะประเภทเหตุเหตุเพื่อเพื่อบรุพะนิพาณ น, นะ ทีนี้พระนิพพานนั้นจะเรียกว่าเป็นผลมันก็ไม่ใช่เป็นผลของอริยมรรคอุปมาเหมือนกับว่ารถเนี่ยขับเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางเลยนะการไปถึงสถานที่ตัวสถานที่เป็นผลใช่ไหมรถนี้เป็นเหตุให้ไปถึงแต่ว่าตัวที่ที่ตัวสถานที่ไม่ได้เกิดจากรถเพราะฉะนั้นจะเรียกว่ารถเนี่ยในฐานะเป็นเหตุสร้างสถานที่ก็ไม่ใช่แต่ นี่ก็เหมือนกันอริยมรคนั้นไม่ได้เป็นสภาพที่สร้างพระนิพพานแต่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานพราะฉะนั้นพระนิพพานจะเรียกว่าเป็นผลก็ได้มรรคเป็นเหตุคือเครื่องดำเนินไปให้ถึงเพราะฉะนั้นโดยวิวตัตตามกษัตริย์เป็นวิวัตะประเภทเหตุนิโรธสัจจะก็เป็นวิวัตะประเภทผลนะมั้ยมากล่าวแบบอาสวะกับอนาสวะ ทุกขศาตร์นั้นเป็นไปกับอาสวะหมายคำว่าโดยรวมๆแล้วมันเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นแดนโคจรของอาสวะตัวมันเองก็เป็นทิฏฐาสวะทิฏฐาสวะนี่ก็เป็นเป็นทุกขัาตร์ไอ้กามสวะนั่นแหละเป็นสมุทัยศาตร์นะกามสวะกับภาวาสวะนี่เป็น สมุทัยสัตว์ส่วนทิฏฐาสะวะกาวิชาสะวะเป็นทุกขสัตว์อันนี้ถ้ากล่าวแบบตรงๆเลยนะแล้วก็การมาวจรธรรมทั้งหมดนี่ก็คําว่าเป็นไปกับอาสะวะเนี่แปลเอกในหนึ่งว่าเป็นอารมณ์ของอาสะวะเนีย่ยนะคืออาสะวะเนี่ยเวลาจะเกิดขึ้นมีพวกนี้แหละเป็นอารมณ์นะคือที่ตั้งแห่งอาสะวะเป็นที่ตั้งแห่งความหมัก ม, มึม อาสวะอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไหลไปก็ได้เพราะฉะนั้นพวกทุกขศาสตร์เนี่ยเป็นที่ไหลไปแห่งตัวอาสวะเนี่ยตัวไหลล่ะเพราะฉะนั้นอาสวะทั้งหลายก็จะไหลไปตามนี้แหละเหมือนกับว่ามันซึมซาบเข้าไปในเนี่ยในทุกขศัตร์ส่วนสมุทัยศัสตร์เนี่ยตัวของเขาเองก็คือกามาสะวะกับทิฏฐาสะวะเนี่ยนะสมุทัยศัสตร์เป็น กามาสวะกับภาวาสวะส่วนนิโรสัจนั้นเป็นอนาสาวะคือไม่เป็นอารมณ์ของนนะอาสวะเนี่ยนะอาสวะนั้นไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อาสาวะนี้ไม่ชอบพระนิพพานนะเนี่น <c oughs> <c oughs> อนาสาวะนี้ไม่เป็นอารมณ์ของเออขออภัยนิโรสัจะไม่เป็นอารมณ์ของตัณหามักก็เป็นอนาสาวะเพราะไม่เป็นอารมณ์ของ ตันหาตัหาไม่โคโจรแถวมรผลนิพันธ์ถ้ากล่าวตามเหตุผลทุกขสั์เป็นผลสมุทยัยสั์เป็นเหตุนิโรสัจจะเป็นผลมรุคสั์เป็นเหตุเหตุสมุทัยสัตเนี่ยเป็นเหตุในฐานะผู้สร้างทุกขสั์ขึ้น มักษัตริ์เป็นเหตุในฐานะเป็นเครื่องดําเนินไปให้ถึงพระนิพพา น, นนะโดยเหตุผลทีนี้โดยสังคตะอสังคตะทุกษัตริ์เป็นสังคตะธรรมคือเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสมุทยัทยสัตว์ก็เป็นสังคตาธรรมเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรสัจะเป็นอสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมักษัตริ ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นสังคตะธรรมนี่นะถ้ากล่าวแบบว่าอะไรถูกปัจจัยปรุงแต่งกับไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่นะเรียก ว, ว่าสังคตะอสังคตะคือสัจจะสาเป็นสังคตะนะทุกขสัจสมุทยัยสัจมคัคคสัจเป็นสังคตะนิโรสัจจะเป็นอสังคตะถ้าโดยกุศลอกุศลอภพยาคตะว่าทุกขสัจเป็นกุศลเป็นอกุศลและอภพยาคตะ กุศลตัวนั้นหมายถึงโลกิยะกุศลทุกชนิดเป็นทุกขสัตว์นะโลกิยะกุศลทั้งหมดมีเท่าไหร่17็ดวงอ่ะนะสิบเจดวงคือมหากุศล8มหากตะกุศลเกก็เป็น17บเจมันกุศลทั้งหมดเหล่านั้นเป็นทุกขสัตว์อากุศลก็เป็นทุกขสัตว์แหละอภยกระตะธรรมก็เป็นทุกขสัตว์ ส่วนสมุทัยศัตร์นั้นเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวอันนี้ท่านนิยามว่าสมุทัยคือตัณหานะเนพราะฉะนั้นสมุทัยศัสตร์ก็เป็นอกุศลโดยส่วนเดียวเอกันตากุศโลคือเป็นอกุศลแน่นอนนิโรสัจจะเป็นอัพยากตะธรรมคําว่าอัพยากตะคือกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลคือไม่สามารถจะพูดได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเรียกว่าอัพยากตะ อันอพยยากตารรมาไทยเรียกอพยากฤตเนี่ยนะไม่รู้ว่าฟังแล้วจะเข้าใจเลยหรือเปล่าไม่ทราบนะทับศัพท์ไปแล้วนะเป็นอัพยากฤตอะ่ะฟังแล้วก็ต้องให้คนไทยที่รู้ภาษาไทยดีๆหน่อยมาแปลให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอันอพยากฤษหรืออัพยากตะหมายถึงไม่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลและอ ก, กุศลส่วนอริยมรรคนั้นเป็นกุศลโดยส่วนเดียว ในขณะมรรคเกิดนั้ น, ะ น, น, น, นอย่างเช่นโสดาปฏิมรรคสกธ า, าคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตธมรรคอย่างนี้เป็นกุศลอย่างเดียวเท่านั้นนะแล้วก็เกิดขณะจิตเดียวนะแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์มรรคเกิดได้ครั้งเดียวตอนหนึ่งมรรคนีโสดาปฏิมรรคมีสิทธิเกิดครั้งเดีย ว, อวโอ้ยขอให้มันได้แต่นะครั้งเดียวก็พอแล้วสกธาคารมีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตธมมรรคก็เกิดอย่างละครั้ง แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ก็อย่างละทีเท่านั้นเองแต่ว่าโหมีสีทีนี่ก็เรียบร้อยเลยนะจบกิจหมดแล้วเห็นไหมไม่เหมือนสามัญญผลนะสามัญญผลเนี่ ย, ย, เ, ยเกิดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซำกันเป็นปีๆก็ได้คือถ้ามันเข้าพระสมาบัติเท่าไหร่นะมันก็เกิดเท่านั้นแนหะเพราะมันเป็นผลล้เช่นจะเข้าพระสมาบัติเจ็ดวันผลผลจิตก็เกิดเจ็ดวันได้ มันเกิดซ้ำๆกันเป็นชั่วโมงหลายๆสิบชั่วโมงหรือเกิดซ้ำๆถ้าแบบเป็นคนขยันเข้าพระสมาบัติเท่าไหรก่ก็สามัญจะผลก็เกิดเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผละจิตของพระองค์เนี่ยเกิดทีเจ็ดวันอย่างไงี้ยนั่งเข้าพระสมาบัติอย่างเดียวเจ็ดวันเรียกว่าสบายวิมุติสุขนะนะแต่บอกว่าลีกเก้นลีกเก้นลีกเก้นที่ไหนก็หมายถึงเนี่ยพระสมาบัติอย่างเดียวแต่ พระสมาบัตินี่ถ้ากล่าวโดยสัจจะนี่เป็นสัจจะวิมุติ n ะพ้สัจจะแล้วเป็นอาศขะธรรมแล้วนะคือคือเสขะธรรมทั้งหลายเสขะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อริยสัจเกี่ยวกับการวินิจฉัยอริยสัจส่วนอาศะขะธรรมเนี่ยมันถือว่าอย่างพระนิพพานเนี่ยขอไปอรหัตตาผลเนี่ยไม่ใช่อาศะขะแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องมาขวนขวายในการพิจารณาเกี่ยวกับอริยสัจอีกต่อไป มาดูนิดหนึ่งต่อไปว่าทุกขศา์นี้เป็นเนวเสขานาเสขาขถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ว่าโสดาปฏิมัตสกทาคามีมัตอนาคามีมัตรอรหัตมัตเนี่ยนะมักสี่นี้เป็นเสขธรรมต่อไปไว้ไหนนะ ไม่ให็นอะบตเวานิ อริยมรรคทั้งสี่เนี่ยเป็นเป็นเศคาธรรมตัวเศขานี่คืออะไรเศขะเสขะคือตัวไตรเศขารไตรเศขารเนี่ยเป็นตัวเศขาธรรมขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยขณะนั้นเป็น เศขาธรรมเศขาธรรมเนี่ยมักมักมักสี่ผลสามใช่ไหมผลจิตสามก็เป็นเศขาธรรมคือโซดาปฏิพลสกท า, าคามีผลอนาคขอนาค า, า, คามีผลนะอริยมัคสีผลเบื้องล่างผลเบื้องล่างสามเนี่ยนะมันเศขารธรรมจึงมีเจ็ดเพราะว่ายังอยู่ในไตรสิกขา เขรียกว่ากำลังศึกษาไตรสิกขาอยู่ยังศึกษาไม่จบนนะสรุปว่าเสขะอาเสขะใช้กับโลกุตระอย่างเดียวหมายว่าขณะอริยมรรสีเกิดขณะสามัญญผลสามเบื้องล่างเกิดเป็นเสขะธรรมอรหัตผลเรียกว่าอาเสขะธรรม นะถ้าอย่างบุคคลใดผู้ได้อริยมัคสีสามัญญผลเบื้องล่างสามเนี่ยนะบุคคลนั้นเรียกว่าเสขะบุคคลเสขะบุคคลคือบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่อันนี้ว่าโดยบุคคลน ะ, ะบุคคลกับสภาวะานะท่านอย่างเห็นสภาวะโดยความเป็นบุคคลหรือ หรือว่าท่านเห็นว่าบุคคล น, นี่ต่างจากสภาวะตกลงเอาอยัางไงพวกกันก็สภาวะกับบุคคลก็ต่างกันอยู่แล้วต่างยังไงเพราะว่าอันนะเขาก็มีคําถามอันนี้ว่าบุคคลกับสภาวะอันน่ะเนี่ยนะ ท่านยังเห็นว่าสภาวะเป็นบุคคลหรือหรือท่านท่านเห็นเป็นบุคคลนี่เป็นสภาวะหรือหรือท่านเห็นว่าสภาวะกับบุคคลเนี่ยต่างกันหรื อ, อนะเนี่สามคำ ถ, ถามเนี่ยถ้าตอบได้ก็เขาเขาล่ะสวัดีคุณทา้าว <laughs> การสุขมมากเรื่องนี้เอาให้คนอื่นบ้างนะคุณทศจจนว่าไง<น>ไม่เอาความเห็นโอยนี่ไกลนี่พานกันแล้วนะอย่างอันนี้ปัญหามันเบื้องล่างเองเนี่ยไอผู้การท่านัดกันแล้วกันนะสงเคราะห์รุ่นน้องกันหน่อยสงเคราะห์ลูกชั้นหน่อยอบุคคลกับสภาวะมต่างกันยังไงบุคคล น, นั้น่ะ อาจจะเป็นบุคุณพูดถึงสภาว่นี่นะก็มันเป็นสภาวะธรรมทั้งเป็นกุศลอกุศลก็ได้แต่ถ้าจะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นกุศลนะฮะหรือว่าสภาวะธรรมที่เป็นอายะบุคคลนั้นก็บุคคลก็คือเป็นชื่อเรียกนั่นเองสภาว่าเป็นสภาวะเป็นเรื่องของปรมาธิธรรม นัสภาวะธรรมะเป็นปรมา ธ, ธรรมส่วนบุคคลนั้นเป็นบัญญัติเป็นสมมติบัญญัติบุคคลกับสภาวะนั้นก็ควบคู่ไปได้วยกันเหมือนกับบัญญัติธรรมกับทรัพปรมา ธ, ธรรมนั้นแนะหะควบคู่ไปได้วยกันแต่บุคคลนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีสภาวะธรรมที่เป็นกุศลหรือบุคคลที่เป็นอริยบุคคล ก็ไม่มีสวาธรรมที่เป็นอกุศม่พูดในก็มีคำถามง่ายๆว่าคนกับเงาคืออันเดียวกันใช่ไหมหรือต่างกันนะคนกับเงาเนะคนคือเงาเงาคือคนใช่หรือไม่ไม่ใช่ แล้วเงาต่างจากคนหรือว่าคนต่างจากเง า, งเาก็คือเงาเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง hmm. ถ้าแบบชาวโลกทั่วๆไปใช่ไหม hmm. เขาก็เรียกว่าเงาอยู่แล้วมันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าอาศัยคนเนี่ยจึงมีเงาเห็ hmm. นเงาเนี่เมื่อมันได้ปัจจัยใช่ไหมเช่นเช่นมีอีกฝั่งเป็นมีแดดอีกฝั่งไม่มีแดดอย่างเงี้ยส่องมาเงามันก็เกิดขึ้น พันธ์เงาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาศัยเหมือนกับแฝงอยู่ในในคนเพราะฉะนั้นเชาว่าคนต่างจากเงาโดยสิ้นเชิงภาพถ่ายกับตัวจริงก็ต้องต่างกันนะจะว่าขอเรื่องเดียวกันมันก็ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่แฝงแฝงอยู่ในนั้น น, น, น, นะชั้นใดก็ดีสภาวะธรรมเนี่ยคืออะไรคือขันห้าโดยสภาวะเนี่ยเมื่อแยกบุคคลคือโวหาร โวหารที่เอาไว้เรียกขันห่าเพราะฉะนั้นคนที่แยกแยะสภาวะได้มากมากมากเท่าไหร่ก็จะละคลายความสำคัญผิดคือโวหารนี่ออกไปได้แต่ไม่ใช่ไม่รู้โวหารรู้รู้โวหารอยู่แต่ไม่ไปสำคัญตามโวหารเนี่ยนะคือก็เอาไว้สื่อกันก็สื่อกันไปคุยกันไปแต่ไม่ได้ไปสำคัญผิดเหมือนกับคนกับถ้าเปรียบเทียบคนกับเงา สันนายก็ดีเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่าเสขบุคคลเนี่ยบุคคลคือโวหารของผู้ที่มีอริยคุณคือคืออริยมรรสีสามัญญผลเบื้องล่างสามบุคคลอย่างนี้เรียกว่าเสขบุคคลงั้นบุคคลนี้เป็นโวหารเป็นโวหารโวหารของผู้มีอริยคุณเหล่านี้